วันนี้เรามีอะไรเราคุยกันสบายๆดีกว่ามาั้งพูดธรรมะมาเยอะอพูดหลายถ้าหลวงพ่อพูดด้วยกับมันโยองใส่ธรรมะหมดนั่นแหละฉันจะพูดไปเรื่องโลกๆแต่ก็โยองมาให้เราเข้าใจเรื่องธรรมะก็เหมือนอย่างพูดเรื่องพญามารเอยอะไรต่อะอะไรเอ่ยเนี่ยมารที่แท้จริงกิเลสในใจของเราเนี่ยตอนนี้ตัวมารไร้กาดผูกพันเราไว้ในภพในชาติไม่จบ ไปพบในชาติก็นี่แหละเกิดแก่เจบ็เจบตายเกิดถ้าเราไม่ใคร่ครวนให้ดีก็เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแก่เจ็บเราไม่ใคร่ครวญให้ดีเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเจ็บขึ้นมาแก่ขึ้นม า, าดูที่แก่ขึ้นมาดูให้ดีเจ็บขึ้นมาดูให้ดีจะแก่เจ็บแล้วก็ตายคนนั้นเขาทนไม่ได้เสร็จแล้วเขาตึองตายแต่คนที่อยู่ข้างหลังเป็นลูกเป็นหลานเป็น ญาติเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกเป็นไงเป็นพระจะต้องแบกจะต้องหามยังไงนะีคือทุกข์คือกองทุกขกองทุกเหล่านี้กองทุกขเหล่านี้ท่านว่าท่านว่าสภาวะทุกขมันทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้อยู่คงที่ไม่ได้อยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปนี่คือเป้าประสงค์ สัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราพยายามมองให้เห็นทุกอย่างอยู่คงที่ไม่ได้คาว่าทุกอย่างหมายความว่าสังขารทุกอย่างอยู่คงที่ไม่ได้สังขารคาว่าสังขารก็ต้องเข้าใจอีกสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันถ้าเรียกว่าสังขารจิตของเราผู้ผรู้กับกิเลสประกอบกันเป็นสังขาร ร่างกายของเราดินน้ำลมไฟสามสี่อย่างอย่างอื่นอีกเยอะแยะประกอบกันเป็นสังขารสังขารรูปกับสังขารนามประกอบกันอีกก็เป็นกองสังขารอีกสังขารโบสังขารสังขารโบสังขารสังขารบสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารที่เขาประกอบกันแล้วเขาจะไม่คงที่ไม่คงที่ต้องเปลี่ยนไป เหมือนอย่างบ้านหลังนี้เราคิดว่าเขาจะคงที่อาศัยการเวลาที่ยืดยาว อ, ออกไปเขาจะเขาเขาก็าจะพังเขาก็าจะทลายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเป็นเหล็กว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นซฟเปเหลเป็นหินผาเป็นอะไรต่ออะไรอ่าเป็นกลับกลับไปเขาจะต้องเสื่อมไปสลายไปเปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่การที่ สังขารทั้งหลายไม่คงที่แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปการที่ต้องเปลี่ยนไปก็เพราะว่ามันไม่คงที่การที่มันไม่คงที่เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนไปเราจะว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่เราจะว่าคนละอันก็ไม่ใช่มันเป็นกิริยาที่ต่อเนื่องกันคือภาวะของวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ใครไม่สามารถจะทาให้เป็นอย่างอื่นไปได้ ใครจะคิดจะก่จะเกณียนให้เป็นไปตามใจหวังอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเ จ, จ้าชัน่นจึงทร ง, ง, งตรัสว่านี่แหละอนัตตาอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ไม่อยากแก่ได้ไหมไม่อยากเก็ียได้ไหมไม่อยากตายไม่บังคับไม่ให้ตายได้ไหมบังคับไม่ได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันกันกบสังขารทั้งหลายทั้งปวง ทั้งสังขารที่มีใจครองเช่นอย่างมนุษย์เราและก็สังขารที่ไม่มีใจครองแผ่นดินต้นไม้ภูเขาอะไรสารพัดมีภาวะเสมอกันหมดเราดูการมองของพระพุทธเจ้าเขาดูมองลึกไหยละเอียดไหมถึงที่สุดไหมแต่ต้องเห็นด้วยปัญญาการที่เราเรียนรู้เราคุยเราพูดเราฟังอะไรนี้เป็นการเรียนรู้การที่เราจะเห็นเพื่อเกิดความเบื่อหน่าย สมุทัยกิเลสตัณหาสวะออกจากหั้ยใจได้จะต้องภาวนาให้เห็นด้วยปัญญาให้เห็นด้วยปัญญายานมันละเอียดเห็นข้อเท็จจริงเกิดยานเกิดยานนิทัศนะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจจิตยอมรับเตรียมที่ทิ้งหมดเบื้องแรกก็ทิทิ้งทิ้งทิ้ทิ้งทของข้างนอกต่อมากทิ้งข้างในทิ้งจากการยึดมั่นถือมั่น คำวาอัตตาคว่าตัวตนไม่มีแล้วมองเห็นเป็นภาวะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกาะกลุ่มกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยแล้วก็ทิ้งแล้วก็วางจิตก็ถอนมาถอนมาถอนมาถอนมาจนเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์ถึงที่สุดนี่เราพูดสร็จยังไงให้พวกเรามองเห็นภาพพจน์อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เราเอาศัยการเรียนรู้นี้อย่างนี้แหละ มาทําให้เกิดข้อปฏิบัติอยู่ที่นี่มีข้อปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านพานั่งภาวนาคือข้อปฏิบัติแล้วก็ฝึกหัดอยู่อย่างนี้แหละสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเพิ่มความสงบเพิ่มปัญญาเพิ่มความสงบเพิ่มปัญญาเพิ่มความสบุบเพิ่มปัญญาเวลามันเห็นจริงจังเข้ากลายเป็นปัญญายานกลายเป็นวิปัสนาญาณ น, นั่น จิตยอมรับเต็มที่เพราะเห็นแจ้งประจักษ์จริงจังในหัวใจเต็มที่จิตยอมรับเต็มที่ยอมรับแล้วยอมรับแล้วถอนตัวออกมายอมรับแล้วถอนตัวออกมามันจะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นแหละเขเหมือนกับภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราหลงอยู่เราเกี่ยวข้องอยู่ด้วยที่เราไม่เข้าใจพอเราเข้าใจพับเราก็ไม่สนแล้ ว, ลวก็เดินนี เราเข้าใจปั๊บแล้วเราก็ไม่สนแล้วก็เดินหนีคือเราไม่สนใจเนี่ยเพราะเรารู้แล้วว่าคืออะไรเป็นอะไรภาะวะเหล่านี้มีอยู่งนี้เป็นอยู่อย่างนี้พอเราเข้าใจปับ๊บจิตเขาก็จะต้องถอนถอนโดยอัตโนมัติของเขาปราจะจวบถอนก็ได้เรจะจวบละก็ได้เราจะว่าวางก็ได้เราจะว่าฆ่ากิเลสตัวการยึดการติดก็ได้แล้วแต่เราจะว่ามันก็อันเดียวกันโอ้ยาว เราพูดไปแล้วมันพันเงินไปหมดอ่ะเ <c oughs> มื่อเช้าเราพูดถึงว่าพลังสองพลัง <c oughs> ที่อยู่ในใจของเราหนึ่งพลังบุญสองพลังบาปหรือหนึ่งพลังธรรมสองพลังกิเลส หรือหนึ่งพลังดีสองพลังชั่วเรื่องบุญเรื่องธรรมเรื่องดีนี่เป็นอันเดียวกั น, นเรื่องบาปเรื่องชั่วอันเดียวกันเรื่องความทุกข์อันเดียวกันมนนนีสองพลังในหัวใจของเรา คือวิบากของกรรมดีก็สังสมส่วนของกรรมดีไปวิบากของกรรมชั่วก็สังสมส่วนของกรรมชั่วไปตัวที่ขับเคลื่อนอยู่ข้างในทำให้เกิดวิบากกรรมดีวิบากกรรมชั่วคือตันหาแปล ว, ว่าความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานอยากของใจตัวตันหา ความต้องการของตันหามันขัดแย้งกับหลักธรรมชาติเช่นอย่างร่างกายต้องแ ก, แ ก, แกนะง่แต่ตันหามันไม่อยากแก่นะต้องเจ็บแต่ตันหามันไม่อยากเจ็บต้องตายแต่ปัญหามันไม่อยากตายต้องเกิดเราต้องเกิด โดยเห็นดยเหตุที่เราเห็นความทุกข์ตัณหามันก็สวมรอยเข้ามาว่าไม่อยากเกิดทั้งๆแต่ตัวข้างในของมันแต่แท้มันผลักดันให้เกิดมันเป็นรากเป็นเงาของมันเองคือตัวตัณหาเนี่มันผลักดันให้เกิดแต่มันก็มีซ้อนมาอีกหน้าหนึ่งว่าวิภาะตัณหาคือไม่อยากเกิดแต่มันมีเหตุปัจจัยที่จะส่งให้เกิดอีกอย่างหนึ่ง ตัวต้นต่อของตันหาอย่างเราจะต้องแก่มีเหตุปัจจัยจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องเจ็บมันตายมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องตายแต่ความขัดแย้งกับตันหาเนี่ยมันไม่อยากแต่ไอ้ตัวที่เขาทํางานเน่ยเขาทํางานตามหลักธรรมชาติของเขาเขาต้องแก่เจ็บตันหาไม่อยากเจ็บ แต่ตัวสังขารที่เขาทางานเขาทํางานตามภาวะของเขา mm. เขามีเหตุมีปัจจัยของเขามันคนละเรื่องไปเลยนะมันคนละเรื่องไปเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปตามใจหวังได้ยังไงมันจะทําให้เราสมหวังไม่ได้นี่คือปรารถนาไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราก็ทุกข์แล้วก็ปรารถนาสิ่งนู้นปรารถนาสิ่งนี้ปรารถนาให้สมใจหวังอย่างนั้นปรารถนาให้สมใจหวังอย่างนี้ กิจที่มันปรารถนามันปรารถนาด้วยตัณหาแต่สิ่งเหล่านั้นที่จะมาสนองความปรารถนาของเรามันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันไม่ใช่เหตุปัจจัยเกิดขึ้นจากความปรารถนา้วยเหตุนี้แหละเราเอาไปบงังคับบัญชาสิ่งใดไม่ได้ใจคือความอยากของเราไปบงับงคับบัญชาสิ่งใดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจ แล้วจะเกิดความเบื่อเกิดความหน่ายเกิดความคลายเกิดความจางเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็ถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาหมายความว่าปลอกออกปลอกออกอันนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราได้รับความทุกข์แล้วก็ปลอกออกอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้รับความทุกข์แล้วก็ปลอกออกคําว่าปลอกออกก็คือละออกก็คือวางไม่ยึดไม่ถือรวมไปถึงว่าเข้าใจเรื่องตันหาพอเข้าใจเรื่องตันหาแล้วก็วาง เมื่อวางก็คืออุปาทานละอุปาทานเมื่อไม่มีอุปาทานและการที่จะไปยึดไปมั่นในสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มีพบก็ไม่มีที่เราจะต้องไปเกิดในพบนั้นพบนี้มันก็ไม่มีพระอริยเจ้าท่านวางหมดในเมื่อท่านวางหมดแล้วก็พบพบไม่มีตัวที่จะปรไปอ บ, บัตในพบก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกมาจากไหนไม่มีมาอย่างไหน เพราะมันไม่มีเหตุตัดต้นเหตุไว้หมดแล้วแต่ว่ารูปร่างที่เรานั่งอยู่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่นิพพานตัวมรรคตัวผลตัวนิพพานอยู่ที่จิตนิพพานอยู่ที่จิตพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์ความเป็นที่จิตไม่ใช่เป็นที่กายเพราะฉะนั้นเวลาท่านทิ้งท่านก็ ท, ทิ้งไปเลยเหมือนกับบุตรชนทิ้งเนอะท่านก็ทิ้งไป แต่ก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันพระอรหันต์ท่านทิ้งไปแล้วนี่ยาธาตุขันธ์ท่านบริสุทธิ์กลายเป็นพระาธาตุแต่ปุถุชนไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไมันแปลกมันแตกต่างกันขึ้นเชื่อว่าจิตที่บริสุทธิ์บริรสุทธิ์จริงๆสะอาดจริงๆซักฟอกาธาตุขันธ์จนกลายเป็นพระาธาตุเราคิดดูอะโอเคนี้ก่อนพูดไปไม่จบพูดไปยาวคนและทำมา จิตของคนเราที่ไม่บริสุทธิ์นัหมุนไปในวัฏจักสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่ขับเคลื่อนพาหมุนไปนะคือตัณหาคือเจ้าตัวตัณหาตัณหามันพาขับเคลื่อนไปในจิตดวงนั้นนะ่ะคุณสมบัติส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมคุณสมบัติส่วนหนึ่งก็เป็นกิเลสเป็นเรื่องของตัณหา การทำกรรมลงไปแต่ละอย่างถ้าเป็นกรรมดีก็ส่วนของกรรมดีสังสมถ้าเป็นส่วนของการทําไม่ดีก็กรรมไม่ดีก็สังสมต่างต่างฝ่ายต่างเดินไปด้วยกันใครพลังมากก็นําหน้าใครพลังถ้าฝ่ายธรรมะมีกําลังมากฝ่ายธรรมะก็นําหน้าไป เกิดในที่ดีมีสติดีมีปัญญาดีเกิดในภพชาติที่ดิบที่ดีถ้าธรรมะมีพลังน้อยกว่ากิเลสมีพลังมากกว่ากิเลสก็นําหน้ากิเลสก็นําหน้าผลของกิเลสที่จะพึงได้รับมากน้อยเท่าไหร่ก็จะต้องไปรับใช้เสก่อนก็เหมือนอย่างพระเทวทัตนี่เงี้ยพลังกรรมไม่ดีสังสมมากกว่าก็ต้องไปให้ผลเสก่อนรับผลเสก่อน แต่ก็ไม่ใช่จะรับผลอย่างนั้นอยู่ตลอดกับตลอดกันพอหมดช่วง อ, รอารยะ อ, อายุช่วงการเวลานั้นมันก็จะตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆโผล่ขยับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทพชาติของเราจรึงไม่ไม่ไม่คงที่ขยับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะท่านข้าแม่ถือว่าทําอนันตริยกรรมท่านเกิดกี่ภพกี่ชาติ ท่านเปนตกนรกหมองไม่อเวจีเสร็จแล้วเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบไหนพบไห น, พบไหนก็ถูกเค่าพบไหนก็ถูกเอาค่าในขณะที่ท่า น, านตัดสินใจฆ่าเนี่ยสองสามนาทีก็ทําอนันตเดยกรรมฆ่าแม่เสร็จสิ้นลงไปแล้วแต่กรรมหนักมากมายมหาศาลหลังจากไปรับกรรมหนักแล้วเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เกิดพบไหนก็ถูกฆ่าพบไหนก็ถูกฆ่ากรรมมันยังไม่หมดกรรมมันยังไม่หมด แต่หลังจากท่านตัดสินใจฆ่าแม่เสร็จแล้วเนี่ยท่านมาระลึกได้โอ้กรรมไม่ดีกรรมไดีท่านมาตั้งปณิธานใหม่สร้างใหม่ปรารถนาเป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อนกับพระโมคคัลลานิาพระสารีบุตรเนี่ยปรารถนาเป็นอัคคสาวกเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเบื้องขวาก็สร้างบารมีมาเฮ้บารมีก็สร้างมาเรื่อยสร้างมาเรื่อยสร้างบารมีเพื่อความเป็นอัคคสาวก ก็เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยแต่กรรมนี้มันให้ให้ผลยังไม่หมดมันก็มาตามเล่นงานอยุ่ทุกภพทุกชาติะเกิดภพไหน500รชาติในแป๊บเดียวเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกเขาฆ่าอันนี้คือเรื่องของเวรของกรรมกรรมย่อมสนองกรรมเวรย่อมสนองเวรกรรมย่อมสนองสนองกรรมไม่ใช่ว่าแม่ของท่านจะมาฆ่านะไม่ใช่แม่ของท่านเคยตายเพราะถูกคนอื่นฆ่ายัางไงท่านก็จะต้องตายเพราะถูกคนอื่นฆ่าอย่างงั้น แม้แต่ชาติสุดท้ายท่านเป็นพระอัคขสาวกแล้วเนี่ยทั้งทั้งทั้งที่เป็นผู้มีฤทธิ์ทำให้พวกเดรัจฉีเขาเสื่อมลาบกรรมเก่ามาไปจุบกับกรรมใหม่พวกเดรัจฉีเสื่อมลาบเขาก็มาระลึกได้ใครเป็นคนทําให้พวกเราเสื่อมลาบโอพระโมคคลลนะนี่แหละไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้เอาเรื่องบนสวรรค์มาเล่าให้ชาวบ้านฟังเอาเรื่องในนรกมาเล่าชาวบ้านฟัง ชาว บ, บ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาพวกเดรัีนักบวชนอกศาสนาเขาเสื่อมราบเขาเลยจัดการพระโมคคัลลานะซะนี่คืออันนี้คือกรรมใหม่กรรมใหม่แต่กรรมเก่าของท่านก็ตามเรื่องานมาเรื่อยเรเรื่องกรรมที่จะให้ผลนั้นมันจะต้องมีกรรมเก่ากับกรรมใหม่มาประจวบเหมาะ ก, กันมาประจวบเหมาะ ก, กันเพราะฉะนั้นเขาเล ย, เลยจ้างนักเลงไปฆ่าฆ่าพระโมคคัลลานะเข้าไปวาระแรกท่านรู้ท่านรู้ท่าก็เหาะบอกทานต่างๆท่านมีฤทธิ์นะ ออกทางหน้าตา่างไปวรระที่สองจะไปจับท่านข้าท่านาออก็ห้อออกอีกทางหน้าตา่างก็ท่านมีฤทธิ์น่พอมาวรระที่สามท่านมาระลึกโอ้กรรมกรรมที่เคยทำมันยังไม่หมดมันตามมาเอาเศษกรรมของมันน่คือร่างกายนี้เป็นเศษกรรมนะเขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมเป็นผลของกรรมเก่าร่างกายของเราของท่านทุกคนเป็นวิบากของกรรมเก่าอะ กรรมก่ามส่งผลออมาแล้วส่งราอมาแล้วเป็นวิบากของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นกรรมเก่ามันจะต้องตามมาเอาของมันหนี้สมบัติของมันมันตามมาเอากากเดนเศษเดนนี้ไปพอมาวาระที่สามทนเลืกได้ว่าโอ้กรรมกรรมท่านก็เลยเข้าฌานทันทีปุ๊บพับไอ้คนนั้นมาทุบตีท่านอยู่ที่ว่าท่านตายแล้ลากท่านไปทิ้งแต่ท่านไม่ตายเพราะว่าท่านเข้าฌาน ปกติคนอยู่ในฌานจะไม่ตายเพราะได้ระยะเวลาทั้งการฟื้นขึ้นมาทั้งกาเยียวยาด้วยฌานสมาบัติก็เป็นปกติธรรมดาก็เห็นว่าพบชาติอายุไขถึงแล้วเวลาพระพุทธเจา้านิพพานนี่คือนี่คือประโมคละณะสายเดินของธรรมก็ต่างมาสายเดินของกิเลสก็ต่างมาผลกรรมของกิเลสที่ทำเอาไว้ก็ตามมาเล่นงานอยู่เรื่อย ย่าลืมว่าพลังสองพลังในใจของเรานี้ถ้าเราถ้าใครเคยอ่านหนังสือลงตาล่งตาท่านจะเขียนหนังสือธรรมะคู่แข่งขันท่านจะพูดถึงเรื่องกิเลสกับธรรมมันแข่งขันกันตราบใดธรรมมีกําลังทํามก็ล้ำหน้าตราบใดกิเลสมีกําลังกิเลสก็แซงหน้าเราดูชีวิตของเราก็เหมือนกันแหละช่วงไหนเราสร้างผลงานความดีมากมายมหาศาลเราก็มีความสุขสบายในอัตภาพ ถึงกระนั้นก็ตามแม้แต่พระโมกขลนะท่านยังถูกกรรมเก่ามาตามเล่นงานเ <Yeah. S 1> นี่ยเรื่องของกรรมของเรื่องของกรรมมันไม่มีจบมันไม่มีมีสิ้นใครมาสํารวมระมัดระวังเรื่องกรรมคนนั้นจะเริ่มจะเริ่มรู้สึกตัวจะเริ่มรู้สึกรักษากรรมตัวเองให้บริสุทธิ์ขึ้นจะไม่สเปรย์สปะจะไม่ไปผิดศีลผิดธรรมผิดนู่นผิดนี้เพราะมีฮิริมีโอตดมปะ มีความเกรงกลัวต่อผลของบาปกรรมที่จะต้องตามมาเล่นงานตัวเองมีเรื่องของบาปกรรมมันน่ากลัวถึงขนาดนั้นเวลาไปเจอเองถึงจะรู้เมือ่อเราเป็นเศษเป็นเดนเป็นอะไรตัวอะไรเนี่ยแหละไม่มีความหมายอะไรแหละผู้ที่ท่านรู้ท่านเข้าใจและท่า น, น, นระมัดระวังเรื่องเหล่านี้อันนี้คือเรื่องของวิบากกรรมแต่จิตของท่านที่ท่านพ้นไปแล้วเนี่ยทักทิ้ ง, งกรทิ้งถ้ า, าเข้ า, น, านิพพาน ท่าทิ้งไปแล้วเพราะความเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่อัตภาพร่างกายีคือจิตที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองเมื่อก่อนนั้นมีสองมีสองกับอะไรจิตของเราเมื่อก่อนนั้นมีสองมีสองกับกิเลสเมื่อมีสองขึ้นมาก็ได้ชื่อว่าเป็นสังขารคนชื่อว่าสังขารพาเราไปทุกพบทุกชาติไม่คงที่แต่พอแยกออกไปแล้วเนี่ย เขาไม่เรียกว่าสังขารผู้ยายงไม่เรียกว่าสังขารถ้าเรียกว่าวิสังขารวิเศษจากสังขารเป็นอื่นไปจากสังขารเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวเป็นในเมื่อเป็นหนึ่งเดียวแล้วจะว่าเที่ยงก็ใช่จะว่าคงที่ก็ใช่จะว่าถึงความบริสุทธ์ ถึงบรมบรมสุขอย่างยิ่งก็ใช่ถึงนิพพานหมดจดสิ้นเชิงก็ใช่ไม่มีพรบไม่มีชาติเพราะไม่มีความเปลี่ยนแปลงคงที่คืนชื่อว่าสังขารไม่คงที่จิตของเราไม่คงที่เบียนไปเกิดเป็นควายไปเกิดเป็นวัวไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นอินเป็นพรหม แล้วแต่พฤติกรรมที่เราทําจะพาไปแล้วแต่พฤติกรรมที่จะพาไปแต่ถ้าหมดเหตุหมดปัดจจัยแล้วนี่คือหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วผู้รู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเนี่ยดำรงตนอยู่โดยเอกเทศไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นวิมุตต์พ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดํารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการอนันตการคำว่าอนันตการอนะ่ะไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้อง คำว่าสถานที่เช่นอย่างมาเกิดในโลกมนุษย์นี่คือโลกมนุษย์เป็นสถานที่มีอายุจํากัดเจ็ดสิปีแปดสิปีเกสิบปีร้อยปีไม่เกินนะั่งตายอายุจํจากัดเจริญเจริญเจริญไแล้วเสื่อมเสืไปแล้วก็ตายเราเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายไอ้เรื่องสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเราไม่ต้องกลัเพราะเขามีแต่ลักษณะของความทุกข์ เขาไม่มีความทุกข์ที่ปรากฏในใจเหมือนอย่างพวกเราพวกเรามีใจที่จะมารับสุขรับทุกข์อันนี้เราเป็นเรื่องใหญ่เป็นเหตุว่าเราจําเป็นจะต้องมีพระศัสดามาบอกมาสอนแล้วผู้ที่จะอยากพ้นทุกข์เหมือนท่านจําเป็นจะต้องได้กระพุธปฏิบัติถึงจะพ้นทุกข์พ้นโทษไปได้ไม่งั้นก็ไม่พ้นมีเราพูดถึงหลังใหญ่ๆให้พวกเราระลึกย้อนหลังไปดูว่าภพชาติของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไร แล้วมันเป็นอยู่ด้วยยังไงให้ผลสุขให้ผลทุกยังไงเราควรจะจัดการปฏิบัติกับตัวเราอย่างไรเราถึงจะเหมาะสมกับที่เราเป็นเป็นชาวพุทธเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังคาบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นการมาประสบพบเห็นของดีของเลิศที่สุดถ้าปล่อยให้หลุดม้หลุดมือไปอู้น่าเสียดาย <c oughs> น่าเสียดายมากอย่างน้อยให้มี ให้มีเป็นเป็นเป็นเรี่ยวแรงเป็นพลังเป็นวิบากกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลอย่าให้ให้มีให้มีนิสัยเกี่ยวกับเรืงการรักษาศีลให้มีนิสัยเกี่ยวกับเรื่องภาวนาทำจิตให้ได้รับความสงบเพื่อจะได้เกิดปัญญารอบรู้ทำลายความหลงของตัวเองอย่าลืมว่าเราวนไปในวัฏฏะสงสารวนไปด้วยความหลงหลงไม่รู้จบจบไปทีสิ้น โมหะนั่นแหะพายเราหลงอวิชชาพายเราหลงวิเลนพายเราหลงตัณหาเนี่ะมันพายเราหลงตัวมันเราดูออกไหมเราดูออกตัวความอยากในหัวใจของเรานั่นแหละเพราะฉะ้นตอนพยายามย้อนมาเห็นมันย้อนมาเห็นมันก็มันก็จะยุบย่อลงไปย้อนมาเห็นมันก็จะยุบย่อลงไปย้อนมาเห็นแล้วมันจะดับย้อนมาเห็นแล้วมันจะดับย้อนมาเห็นมันจะดับ ดับเลื่อ ด, ดับมากดับน้อยมันก็หมดพลังไปเรื่อหมดเรี่ยวแรงไปเรื่อหมด ian, เรี่ยวแรงไปเร่อยความโง่ที่เคยเคยมีมากมายก็จะเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นความมืดบอดของจิตก็เริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นอวธธิชาเคยมีมากมายมหาศาลก็จะเริ่มมีวิชาขึ้นไปคู่ขขขแข่งกันจากน้อยกว่ามาเท่ากันจากเท่ากันแล้วก็ล้ำข้ามาล้ําเข้ามาล้เข้ามาสูงข้ามาสูงข้นมาไหนสุดก็ เวรภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถจะตามเล่นงานจิตเราได้พ้นไปได้รู้สึกพูดเจาะลึกยอยู่มีข้อข้องใจสงสัยยังไงก็คุยก็ถามกันยังไงเข้าใจไหมเดโมเออเออคืนสุดท้ายแล้วนะนนไม่เค้ือนว่าไงเข้าใจไหม เราฟังเราฟังไว้เราฟังเป็นกรอบเราฟังเป็นกรอบเอาไว้เป็นความรู้เอาไว้ <c oughs> เพื่อเป็นการหยุด <c oughs> เพื่อเป็นการชะลอ <c oughs> เพื่อให้เห็นคุณให้เห็นโทษเพื่อให้เกิดความอุตสาหพยายามเกิดความเห็นในความทุกข์อยากปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์แต่การที่ตั้งจะตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังนั้นจะต้องเริ่มไปตั้งแต่ตั้งแต่ศีลนี่แหละ สินตะลอมเข้ามาสมาธิมาเริ่มตั้งหลักที่สมาธิสมาธิเราทําไปให้ใจของเราได้รับความสงบมากน้อยเท่าไหร่ท่านถือว่าเริ่มเอาใจของเราเนี่ยห่างออกจากกามกามมันเป็นอาหารของตัณหากามกามาตัณหาตัณหาเกี่ยวกับกามภวะตัณหาวิภวะตัณหา ขึ้นชื่อว่ากามทั้งหลายทั้งปวง เ, เป็นเยื่อของตันหาเป็นอาหารของตันหาเนีย่ยขึ้นชื่อว่ากามเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้เห็นหน้าเห็นตาของตันหาเราจะต้องมาหยุดหยุดให้ตันหามันดิ้นรนเกี่ยวกับเรื่องกามหยุดก็คือหยุดจิตนี้เองหยุดจิตไม่ให้มันนึกมันคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสให้จิตสงบ จิตสงบเมื่อจิตสงบก็จิตจะเริ่มห่างจากกามจิตจะสงบสงัดจากกามจิตจะเริ่มห่างจากกามคำว่ากามก็คือจิตมันเพลินไปเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสทุกอย่างทาเรียกว่ากามกามคุณกามคุณสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเยื่อลอ่อเหมือนกับเยื่อที่อยู่ดีปลายเบ็ดทำให้เรา ไปกินเหมือนกับปลาไปกินเบ็ดนั่นแนหะกินปกติกินปกติกินปะกะติก็เกาะสิ่งทั้งหลายในโลกมันจะการตาเพราะเราเห็นเคลื่อไปตามอํานาจของตันหาเหมือนกับเป็นอาหารอ ร, อร่อยอร่อยละไม่ได้เว้นไม่ได้เยื่มตระการตาโลกนี้หน้าอยู่เพราะเพราะเพราะอํานาจของตันหานี่แหละตันหามันให้เราหลงเราเคลื่อไปกับมันแล้วก็หน้าอยู่ไปกับมัน เราจะต้องมีหยุดตัณหาให้จิตสงบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกนึกเรื่องธรรมไม่นึกเรื่องกิเลสนึกเรื่องโรคมันก็ชังมันก็รักเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นมันก็รักมันก็ชังเรื่องกลิ่นเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องอะไรต่อไรเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจตามมาแต่พุทโธพุทโธไม่มีอ่าเพราะฉะนั้นถ้า จิตของเราสงบอยู่กับคําว่าพุทโธจิตของเราจะมีความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์จิตที่สงบสงัดจากตัณหานี่เองถ้าเรียกว่าจิตจะเริ่มออกจากกามเราจะไปขัดเสียให้เกิดวิปัสนาให้เกิดวิปัสนาญาณมันถึงจะเป็นไปได้ถ้าเราจะเทีย บ, บเหมือนกับเอาไม้แห้งมาเสียให้เกิดไฟมันพร้อมที่จะเกิดไฟขึ้นมาได้อ่า เรายังไม่ออกจากกามจิตของเราก็ยังเต็มแปร่ด้วยกามกายของเรายังเกี่ยวข้องกับกามท่านเปลียกเสมือนไม้ไม้สดชุ่มด้วยยางเอามาเสียเกิดไฟทําไงไมันจะเกิดไฟเราดุประมาณนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ย้อนมาที่ตัวเราย้อนมาที่จิตของเราจิตของเราหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องกามคือจิตของเรายังไม่ออกจากกามไม่สงบสงัดจากกาม เหมือนเอาไม้สดไปสีให้เกิดไฟเกิดได้ไหมเน็ตเหนื่อยเปล่าพุทธเจ้าท่านว่าเน็ตเหนื่อยเปล่าแต่คําว่าเน็ตเหนื่อยเปล่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีวิบากกรรมนะมีวิบากกรรมในส่วนที่ดีตกค้างหลงเหลืออยู่วิบากกรรมในส่วนที่ดีตกค้างหลงเหลืออยู่ทำไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยทำไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อย ถ้าเราจะเทียบกันเมื่อเอาไม้สดๆนมาสีกันสีไม่หยุดไม่หย่อนมันก็จะเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งเริ่มอะไรไปวิบากกรรมก็มีเช่นดเช่นเดียวกันมันสะสมท่านบอกว่าปุถุชนกายยังไม่ออกจากกา ร, รจิตยังไม่ออกจากกา ร, รเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วก็ถูกแช่อยู่ในน้ําอีกบุตรต้องการไฟเอามาเสียเกิดไฟเน็ตเนื่อยเปล่า เรามาเทียบดูข้อปฏิบัติแล้วเราทําแล้วไม่ไปหน้ามาหลังแล้วก็มาเทียบกับข้อเหล่านี้แล้วจะทําให้เราเข้าใจได้จะทําให้เรารู้เกณฑ์ว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนเราอยู่ในขั้นตอนไหนเราอยู่ในเกณฑ์ไหนเราอยู่ในขั้นตอนไหนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นที่ความสงบศิ้นก็เกื้อนหนุนให้เกิดความสงบทานก็เพิ่มมาเพื่อความสงบศิลนตั้งใจรักษาสิ้นก็เพิ่มมาเพื่อความสงบ พูดโทพุดโธพูดโทพูดโ ท, ดโทแล้วก็พิจารณาอันนี จ, จังทุกขรังอนัตตาก็ปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาเกื้อกูลกันอยู่อย่างนี้พอจิตเริ่มมีปัญญาจิตก็จะเริ่มสงบเร็วขึ้นจิตจะเริ่มสงบเร็วขึ้นจิตก็จะเริ่มออกจากกามเร็วขึ้นมีผลเราอยู่เป็นค า, ารว่าสนี่แหละกายเรายังไม่ออกจากกามแต่พยายามหาหมุมสงบ ทำจิตให้ได้รับความสงบทำได้ผัวอยู่มุมหนึ่งเมียอยู่มุมหนึ่งนั่งภาวนาให้จิตสงบนะภาวนาให้จิตสงบพอจิตเริ่มสงบสงบเรื่อยสงบเรื่อยสงบเรยสงบเยจิตเขามันพอจะเป็นไปพิจารณาอันนี้จงทุกขังอนัตตามันยังพอมันพอจะเห็นร่องรอยเห็นเงื่อนเห็นงาเห็นอะไรพอทีอ่จะชอนจะชายพอที่จะวิ่งตามไปเรื่อยๆพอที่จะมีกิจกิจัจ และผลอั น, นิสงของความสงบมันไม่ใช่ธรรมดามันมีความสุขมีความเอิบอิ่มมันมีคุณสมบัติภายในจิตซึ่งเราบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกทําให้เกิดเองอจากนั้นแล้วมีพลังแล้วก็มีปัญญาเห็นสัจจะธรรมหยับหยาบสัจจะธรรมที่ห ย, ยาบหาเราพร้อมที่จะเห็นสัจจะธรรมกลางๆลงละเอียดขึ้นไปอีกก็จะเห็นสัจจะธรรมส่วนละเอียดขึ้นไปอีก ก่อนเอียดขึ้นไปอีกถึงจะเห็นมันจะเริ่มเห็นไปตั้งแต่จิตเราเริ่มสงบมีความสุขมีพลังมีอานุภาพมีอิทธิฤทธิ์มีอภิญญาลองทําให้มีทําให้เปลี่ยนลองดูอภินญาอิทธิฤทธิอ์อภินญาที่เราเห็นชัดๆก็คือทําให้กิเลสสงบนั่นน่ะอภิญญาตัวนั้นเนี่ยได้ประโยชน์ที่สุดถ้ากิเลสไม่สงบโอ้โหอายุใหญ่จิตวุ่นวาย ทำให้เราวุ่นวายทำให้เราทุกยากทำให้เราลำลบากทุกอยาก่างทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสมันล่อเราให้ได้ใจนิดหน่อยท่านเองหลงไปกับมันปับ๊บติดแล้วถูกมัดมือมัดตีนมัดปากถูกเว็ดเกาะปากแล้วดี่นี่นี่โอ้หลุดมานี่ปากฉีกไปแล้วฉีกช่างมันสัเดี๋ยวให้หลุดได้รู้ที่เจ้าท่านไม่เคยให้ความสําคัญ ท่านมีแต่ให้ออกให้ออกให้ออกให้ออกนะยกตัวอย่างง่ายง่ายน้องชายของของพระพุทธเจ้านะ่นันทะนันทะแต่งงานใหม่ใหม่สดส ด, สดร้อนร้อนยังไม่ได้อยู่ร่วมหอกันเลยนิมมณฑปุท ธ, ธเจ้าพี่ชายคนละแม่ไปแต่งงานนางชนะปทะกัลยานีแต่งงานเสร็จก็ไปส่งพระพุท ธ, ธเจ้าพระพุท ธ, ธเจ้าก็เลยยื่นบาตรให้ เดินเดินอุ้มบาทตามหลังไปคิดอยู่ในใจว่าพุทธเจ้าหันมาที่ไรเมื่อไรจะจะถวายบาทจะรีบกลับเจ้าพี่ให้รีบกลับเจ้าพี่ให้รีบกลับนางนั้นน่ะตะโกนทียากตามเจ้าพี่ให้รีบกลับตามไปเท่าไหร่พุทธเจ้ากไม่หันมาสักทีจะคืนบาทให้พอสมมติพุทธเจ้าหันมาจะถวายบาทจเปิดกลับบา้าน พุทธเจ้าไม่หันมาสักทีไปันถึงวัดแต่งานใหม่ๆสดๆร้อนๆ อ, อ่ะยังไม่ได้จับมาจับมือกันเลย <c oughs> โอ้กามข้างในมันเร่าร้อนสะขานาด้องคิดดูพุทธเจ้าท่านสงสารไหมท่านไม่สงสาร <c oughs> พอไปถึงวัดนันท่าเธอจะบวชหรือตายแล้ว <c oughs> <c oughs> นันท้าเธอจะบวชหรือด้วยความเคารพด้วยความเกรงยำเกรง พี่ชายอะระเจ้าข้าแล้วไปเจ้าข้าเจ้าข้าแต่ป่าเท่านั้นแหละนะแต่ใจอยู่กับนางนู้นน่ะนางที่แต่งงานกันใหม่ๆคิดดูตัวหัวใจของเราของท่านนะคูดูพุทธยาท่านให้ความสำคัญไหมพุทธิยถาท่านถือว่าทรมานไหมนะพุทธิยาท่านสงสารไหมทําไม่เอาไอถ้าไมตีไอตอนเหล็กร้อนๆเนี่ยมันเอาไม่ได้เลยนะน่ะตีไม่ได้เลยนะเอาตอนเห็กร้อน โอ้ยบวชไปแล้วไม่เป็นตะยูแหละคิดหนึ่งแต่ถึงแต่นางแต่งงานใหม่ๆเนี่ยแหมอาหารอริสอร่อยคอยอยู่เนี่ยยังไม่ได้เปิบเลยเนี่ยยังไม่ได้เปิบเข้าปากเลยเนี่ยนะเราคิดดูทีคุณจะจังสงสารไหมท่า <laughs> นไม่สงสารน่ะนะเพราะท่านเห็นว่าคุณนวิเศษที่จะพึงได้เนี่ยมากกว่านั้นอีกบวชแล้วไม่เป็นตะยู่แล้วคิดถึงแต่นางแล้วแหละ เออนันทะเป็นไงภาวนาให้เป็นภาวนาประโยช้าคิดถึงแต่นางชนบทกัลยาณีอ่ะเออไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูนางฟ้านางสวรรค์สวยงามกว่านางนั้นมากมายมหาศาลพู้ชายก็ผ่าไปเที่ยวสวรรค์นนะั่นแหละไปดูไปดูนางฟ้าบนสวรรค์ก่อนจะผ่านไปก็ผ่านพวกลิงพวกอะไรต่ออะไรแล้เห็นบอกชี้ให้นันทะดูผ่านไปก็เห็นเทวดาเห็นเทวดาทีแรกเป็นไงนันทะ คนนี้เป็นไงอุ้ยงามมากไปเจ้าค่ะเอาแล้วกับนางชนบทกัญญาณีเขงเธอเป็นไงอุ้ยเหมือนลิงไปเจ้าค่ะแน่เห้ยไหมใจมันเปลี่ยนไปแล้วใจมันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมอาใจมันเปลี่ยนไปแล้วลูกโอบายของพระพุเจ้าไปอีไปอีไปเห็นเทวดาชั้นนั้นอีกอ้ยิ่งสวยก็ไปเป็นไงเทวดาชั้นนั้นเป็นไงโอ้ยิงงามไปเจอที่ไหนก็ยิ่งงามไปเตยจีในที่สุดเธออยากได้ไหมนังท้า เธออยากได้เทวดาไหมเทวดางามงามลืมแล้วไ อ, ไอ้นางที่แต่งงานเนี่ยลืมแล้วนะจิตใจไป่จิตอยู่กับเทวดางามงามนะั่นเธออยากได้ไหมถ้าเธออยากได้ให้เธอตั้งใจภาวนาเนะถ้าเธออยากได้ให้เธอตั้งใจภาวนาพระนันน้นท่าก็มานั่งดังกลมนั่งภาวนานอยากได้นางฟ้าทีนี้พระในวัดเนี่ยเขาก็เลยซุบซิบกัน นันทะทำไมตั้งใจภาวนาดีแล้วเกินเลยมาทราบว่านันทะเนี่ยนันทะนันทะตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าเป็นเป็นกำนันเป็นกำนันคือเป็นของคือเป็นของขวัญที่พุทธเจ้าจะมอบให้นคนนั้นก็ซุซบซิคนนี้ก็ซุบซิบซไปซุบซิมาซุบซิซบซซบเกิดความละอายอุ้ยทำไมเราต้องตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าล่ะ พิจนาไปพิจนาเกิดความละอายแก่ใจตั้งใจภาวนามาในสุดอ่ะไอความนึกคิดกับนางชนบทกขลยา น, นีก็ขาดไปแล้วแล้วก็ ก, การที่จะนึกภาวนาภาวนาเพื่ออยากได้นางฝ้านางสว่างก็นึกละอายแล้วเกินก็เลยย้อนมาอยู่กับตัวเองตั้งใจภาวนาจริงจังไม่นานก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์นี่อุบายวิธีของพระพุทธเจ้าทารุณไหมพ้ะพุทธเจ้าท่านถือว่าท่านทารุณไหมท่านไม่เห็นความสําคัญท่านไม่ให ความสำคัญไหนท่าไม่ได้สงสารอะไรเลยนะแต่เวลานั้นท้าได้ขึ้นมาปั๊บแล้วเป็นยังไงล่ะโอ้ดีดีวิเศษวิโสยิ่งกว่าอะไรพ้นทุกข์พ้นโทษไปได้นี่เราพูดถึงอะไรเนี่ยเราพูดถึงการออกจากกามมันออกจากกามยากยากหรือไม่ยากนันท้าท่าไม่ได้พูดที่เจ้านั่นท้าก็จะออกไม่ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านออกมาคนเดียวได้หมด ราหุลพิมพาสุธโธธนะ อ, อ, อะไรนะอะไรนะที่เป็นแม่ของนันท่านอะอะไชนะประชาบดีโคตมีจานันกพญาตพระวงอะไรได้ไปนิพพานตามๆกันนี่คือวิสัยของพระพุทธเจ้ามันเริ่มเริ่มต้นเ ร, เราตั้งต้นที่ ที่กายออกจากการจิตออกจากการกายยังไม่ออกจากการพยายามทําจิตให้ได้รับความสงบคือจิตออกจากการการพัฒนาไปโดยทำและจิตก็จะเริ่มเป็ี่ยนไปมาอยู่วันแล้วก็ตามถ้าไม่ตั้งใจทําใจให้สงบเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับอยู่บ้านพัฒนาจิตให้ไปเนี่ยไปได้ยากเริ่มต้นที่ความสงบพราะความสงบเริ่มมีมันจะเริ่มมีคุณสมบัติเพราะเริ่มมีคุณสมบัติมันจะเห็นความแปลกประหลาดในจิตของเรา มันจะอยู่ด้วยเรียวแรงด้วยกาลังใจด้วยพระด้วยกําลังของตัวเองมัจะเรองมีกําลังมีกําลังใจทําอยู่อย่างนี้ทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยจิตมันก็พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยถ้าไม่ถึงขั้นว่ามีคุณสมบัติมากกว่าแล้วมันจะทิ้งอันเก่าไม่ได้เหมือนอย่างนั้นทิ้งไอ้นางชนะพระักลยาณีไม่ได้นะแค่ไปเห็นนางนางนางฟาชั้นต่ําๆก็ทิ้งนางนั้นแล้วยิ่งไปชั้นนู้นชั้นนนนน้น ด้วยเจ้าก็ล่อไปเรื a a it, it ่อยล่อไปเรื่อยๆอยากได้มอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้ตั้งใจปฏิบัติธรำหวังว่าจะได้เห็นไหมหวังว่าจะได้ไหนที่สุดมันก็มาอยู่หมัดกับความละอายหมู่เพื่อนคนนั้นกระุบซิคนนี้ก็ะุบซิคนี้ระซุบโอ้โหลายแล้วกิอทําไมเราต้องมาตั้งใจปฏิบัติเพื่อเพื่อเอานางฟ้านางสวรรค์เลยละอายใจใจเจ้าของเลยเลยเลิกท่านุ่งก็เลยเลิกคิดท่านี้ก็เลยเลิกคิดจิตมันก็เลยห่างห่างมาจิตมันก็เลยอยู่กับธรรมหมุนเอากระธรรม มุนไปมุนมามุนมามุ น, มามนไปกัผลไปได้น่โอ้ยาวเป็นไงพุทธเจ้าพุทธเจ้าทํากับ น, นันทะนิทารุนไหมทารุนไหมกับผลที่ น, นันทะได้รับช่วงหลังมานี่ <c oughs> ถ้าไม่ลงทุนลงรองถึงขนาดนี้มันไม่ได้ไม่ได้ ท่านสงสารที่ไหนท่านท่านสงสารกรามที่ไหนท่านไม่สงสารเ <c> น <oughs> ี่ยบุญของท่านบุญของท่านบุญของเราบุญของใครก็น้อมมาปฏิบัติเอาถือเอาปฏิบัติเอาอคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะพรุ่งนี้ได้ลาพี่น้องทุกคนแล้วพรุ่งนี้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็ได้มาพบกันใหม่ส อ, สองโมงสามโมงเราก็จะได้ออกไปแล้ว w es n nein. her. ist ja bei uns wie, wie so eine neue, wo dann Deutsch heißt so dieses übliche, dieses Multi, wie sagt man Multihandeln äh, da oder das Mehrfachhandeln, n i t Zweifach, wenn ich auf der einen Seite jetzt Auto fahre und auf der anderen Seite also diese Stadtbesichtigung die gemacht habe, was er da e n i e l wie, man es gibt ganz viel solche Situationen wie wie man da Prioritäten setzt oder wie man sich darauf hält, ob er zum was machen könnte, wenn er sich erinnert. Also b das jetzt h e n v o f o n i e r e n ist bei irgendwas anderem als immer dieses Multitasking. l u t im Ja. Kau e vi panha ti ta tang sati, เพราะว่าในชีวิตของคาราบาตมี สถานคารบ่อยๆที่จะทำพร้อมกันหลายสิ่งทรศัพทแล้วกคุยกับคนอื่นแล้วก็ระวัง treatment ยากเลยแล้วหลวงพอจะแนะนำอะไรอันนี้ทุกคนค ก, ก็มีเหมือนกันเลยปัญหานี้ถามมาอย่างเงี้ยถูกกับทุกคนหมดเลยทุกคนมนจะมีปัญหาเลยอย่างเลยถ้าจะเอาคำว่ า, าปฏิบัติมาเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเหล่านี้ทันทีเพราะว่าคาว่าคราบาดคราวาด์ หรือครืหัดครืดหัดแปลว่าเป็นผู้มีภาระมากมีกิจมากประหุกิจยาม่อย่างประหุกรณียาเป็นผู้มีกรณียะมากเป็นผู้เป็นผู้มีการงานมากรู้ทีเจ้าท่านสอนให้พวกแควนอะไรนะท่านเจริญมาหาสติมาหาสติเราไม่ต้องพูดถึงมาหาสติก็ได้เราพูดถึงข้อปฏิบัติพื้นๆธรรมดาเนี่แหละเวลาเราทำงาน แม้แต่พูดธ้าท่านก็ยังพูดเอาไว้นะเราทำงานก็ให้เราอยู่กับงานการที่เราทำงานแล้วเราอยู่กับงานเนี่ยท่านถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มือล้างจานแต่จิตคิดเรื่องอื่นไม่ใช่แบบนี้อันนี้ไม่ใช่มือเขียนหนังสือด้วยความคล่องจิตคิดไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ท่านให้จิต ทำอะไรให้จิตอยู่กับสิ่งนั้นปัดกวาดให้จิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้มีสติกำกับอยู่เหล่านี้เก็บผ้าผ้าผ้าล้างถ้วยล้างจานโอ้เราไปดูเซนเซนเขาทำอาหารหมอก็อธิบายฟังว่าเซนเขาทำอาหารเขาค่อยๆทำเขาทำให้เราดูหมอเขาบอกว่าการที่เขาทำอาหารเนี่ย เขาทำอาหารอยู่กับสมาธิมีสติรู้ทุกระยะทำได้ไหมทำได้นะทำนู้นทำนี่ทำอะไรถ้าเราตั้งใจทำเราทำได้ให้เราอยู่กับเรื่องเรื่องหนึ่งไม่ใช่บอกกายเราอยู่กับเรื่องหนึ่งจิตเราไปอยู่กับอีกเรื่องหนึ่งจิตกับอยู่กับเรื่องหนึ่งกายอยู่กับอีกเรื่องหนึ่งเช่นอย่างเราไปทำงานเราขับรถไปทำงานเราก็อยู่กับรถ เราไปถึงงานแล้วก็จับมาเขียนมาอะไรพองานมันหมดช่วงแล้วก็ย้อนมาอยู่ที่จิตต้องเข้าใจนะครับว่าย้อนมาอยู่ที่จิตพองานมันหมดช่วงย้อนมาอยู่ที่ตัวเรานะงานมันหมดช่วงย้อนมาอยู่ที่ตัวเรางานมันหมดช่วงก็ย้อนมาอยู่ที่ตัวเราจะเดิน <c oughs> ไปนู่น ก, ก็อยู่ก็เดินจะนั่งก็อยู่ก็นั่งจะพูดก็รู้อยู่กับพูดให้อยู่กับเรื่องเดียว ถ้าอยู่กับหลายเรื่องแล้วผิดการตั้งใจปฏิบัติธรรมจะต้องตั้งใจปฏิบัติแบบนี้แต่ถ้าฝากมือทำงานอย่างหนึ่งจิตล่องลอยไปอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่ผู้ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องบังคับให้อยู่กับเรื่องเดียวพุทธทาสท่านจึงพูดว่าการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมเราจะต้องเข้าใจตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเจริญมหาสติ ทำสติกำกับรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดให้ให้งานของกายกับงานของจิตมันสัมพันธ์กันอยู่กับเรื่องเดียวตลอดเหมือนเหมือนอย่างที่เราให้เขาอยู่กับพุทโธเ็ใาอยู่กับพุทโธตลอดอยู่กับพุทโธก็คือจิตเป็นผู้ดำบิคาว่าพุทโธบานทีกำกับดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็อยู่ตลอดแล้วมันจะต่างอะไรกันกับไอ้ที่เราล้างจาน กับเราใช้ความรู้ตัวทั่วพร้อมซอยผักทำอาหารตั้งอกตั้งใจทำไม่ใช่ทำไปแล้วก็ซอยซอยซอยซอยคิดเรื่องอะไรกันไ่ลูกหมดคนเราเรื่องกันโท <laughs> รศัพท์พูดคุยพูดเรื่องอะไรจิด ก, ก็เจอกับเรื่องนั้นเรื่องเดียวพอหมดเรื่องนี้ปั๊กย้อนมาที่นี่ หมดเรื่องนั้นปั๊บก็ย้อนมาที่นี่คือเรื่องที่เราทำแบบนี้ไม่ใช่เราจะทำตลอดทุกระยะมันจะหมดช่ว ง, ห ม, วงหมดช่วงปั๊บก็ย้อนมาป๊บหมดช่วงปั๊บก็ย้อนมาปุ๊บไม่ให้มันว่างงาน <c oughs> เรารอลองไปทำดูนะเขาถามว่าพระพุทธเจ้าให้นันทาเป็นปวดเป็นพระด้วยเมตตาการุณาแต่เขาสงสัยว่า พระพุทธเจ้าจะมีเมตตากรุณากับเจ้าสาวด้วยรืปพราะว่าเขาเสียสานีเจ้าเบาขึ้นชื่อว่าราคะพระพุทธเจ้าท่าน่าไฟราคะขีราคะขินาไฟคือราคะเป็นเหตุให้เกิดไฟคือโทสะราคะขินาเป็นเหตุให้เกิดโทสักขีนามาจาก ต้นต่อคือโมหะคีนาราคาคีนาไฟคือราคาโทสะคีนาไฟคือโมหะไฟคือโทสะโมหะคีนาไฟคือโมหะเพราะฉะนั้นการที่คารวาดแต่งงานกันอยู่ด้วยกันท่านกิถือว่าเป็นไฟแต่เป็นไฟอยู่ในเตาอยู่ในกรอบของศีลห้าสร้างบารมีด้วยกันได้ไม่เสียหายสร้างบารมีด้วยกันได้ แล้วก็การแยกการภาวนายใจสงบถึงคราวที่มาจุดให้เกิดไฟก็จุดไปสิถึงคราวดับก็ดับมันสิการที่นางชนะปะทะกัลยาณีไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับพระนันทะถึงแม้จะแต่งงานกันแล้วก็ตามก็ถือว่ายังไม่ได้ไปแช่ในไฟในเตาพระพุทธเจ้าท่านสงสารนันทะ ด้วยสงสารชนะปะทะกระยานีด้วยไม่ใช่จสงสารนันทะแล้วก็ร้ายกาดกับชนะปะทะกระยานีไม่ใช่การที่ทำให้ไฟทั้งสองกองเนี่ยแทนที่จะมารวมกันเป็นกองเดียวเป็นกองใหญ่เนี่ยไฟก็จะเริ่มหมอดลงมอดลงหมอดลงมอดลงไม่เสริมไม่ส่งเสริมที่เรียกว่าไม่ส่งเสริมกิเลสถ้าเพืชนะปะทะกระยานีเห็นผลเห็นเห็นอนิสงออกบวชตาม ก็ได้เปลี่ยนพระรหันด้วเหมือ น, น, อนพระหมหากรส ป, ปะกับนางชนบทกรยานีเนี่ยพระพัฒากาพิลานีเป็นรวยมากสิบหกตำบลดูแลงานสิบหกตำบลรวยมากมีลูกน้องเต็มไปหมดสิบหกตำบลมันน้อยที่ไหนอะ่ะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคนนั้นรายงานอย่างงั้นคนนี้รายงานอย่างนี้ คนนี้มีปัญหาอย่างนี้คนนี้มีปัญหาอย่างนี้อุย้ยทําไมเราต้องมานั่งทุกกับพวกนี้วะก็เลยพากันสละทั้งหมดเลยสละสมบัติทั้งหมดออกบวชออกบวชทั้งผัวทั้งเมียออกบวชแต่ไม่มีลูกด้วยกันนะไม่เคยเกี่ยวข้องกันไม่มีลูกด้วยกันแล้วก็มากวนหัวให้กันกวนหัวหกันแล้วก็อุทิศเป็นนักบวชต่อพระอาหารหันในโลก แล้วกพากันไปไปไ ป, ไปถึงทางแยกสองแยกอ่าอ่าพัฒกาเวลานีก็ไปข้างหนึ่งพระมหาคสปะก็ไปข้างหนึ่งไปก็ไปเจอพระพุทธเจา้าก็าไปดุบบวช8วันก็ได้เป็นพระอรหันอ่าพัฒกาเวลานีไปไปเจอสำนักพิสณีก็บวชไม่กี่วันก็ได้เป็นพระอรหันนี่อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ประโยชน์แค่นั้นเองแต่ออกจากกันแล้วได้ประโยชน์มหาศาล เกิดประโยชน์อย่างนี้เราต้องมองเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเราจะมองเป็นช่วงเป็นช่วงถึงคราวที่เราต้องการถึงคราวที่เราละไม่ได้เหมือนเราต้องการใช้ไฟในเตาแล้วก็ใช้ไฟให้มันอยู่ในเตาแต่ถ้าอยู่ออกนอกเตาทไไีไรเมื่อใดแล้วก็เหมือนสามีภรรยา น, นอกใจกันะไฟไหม้หมดทั้งบ้านทั้งช่องสมบัติพรสถานไหม้หมดลูกเตา้าล้านเหลนวงศตระกูลเศร้าหมองไปตามๆกัน ไฟไฟอย่าลไฟท่านให้พวกเราภาวนาภาวนาเพื่อดับไฟกองนี้เป็นคำถามของคนที่ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราเขาสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีสมาคถามของตัวเองหรือคำถามของคนอื่น ถ้าสองคนสองคนร่วมกันนะคะคําถามของคนอื่นหรือคําถามของเราเองมันเป็นของเขาเองของเขาเองนะเออเอลองว่าดูผมแปลมาได้ครับฮะผมยอมแพ้แพ้ท่ามยากเพราะว่าเขาก็ยังไม่มีศรัทธาแล้วก็ยังแบบเธอว่าอผู้รับจ้าก็ออาง้างว่า เธอตัวัไม่ไม่ให้ไม่ให้น้องน้องชายตัดสินใจเองแล้วก็ตัดสินใจเพื่อน้องใจ เ, เราเอาใจของเราไปเทียบกับใจพระพุทธเจ้าไม่ได้เราเทียบไม่ได้ดอกอาจารยัืใจของเราเอาไปเทียบกับพระพุทธเจ้าเราเทียบไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ชาลีท่านให้กันหาสมัยเปรยเวสันดอนน่ะ ชาลีลูกชายก็ให้กันหาลูกสาวก็ให้มัดซีเป็นภรรยาก็ให้ชูชกให้ให้ให้ทานหมดบางคนก็ไปตำหนิพระเวสสันดรว่าพระเวสสันดรไม่มีเมตตาต่อลูกต่อภรรยาพระเวสสันดรท่านให้ช้างท่านให้มา้าท่านให้ชาลีท่านให้กันหาท่านให้มัดซี ท, ท่านบอกว่าชาลีกันหามัตซีชางมา้าจะไม่เป็นที่รักของท่านก็หาไม่แต่พระโพธิยานเรารักยิ่งกว่าคนไทยฟังได้เปรียบพระโพธิยานเรารักยิ่งกว่าลูกก็รักเมียก็รักอะไรก็รักแต่รักน้อยกว่าพระโพธิยาน การที่ให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานนี้เป็นปัจจัยเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วนี่โปรดสาวกสาวิกาได้มากมายมหาศาลไม่ใช่เฉพาะชาลีกัญหาหรือไม่ใช่เฉพาะพิมพาไม่ใช่เฉพาะราหุลไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าสุโธธนะมาสืบช่วงมาถึงพวกเราทุกวนันนี้เราได้รับพลังเมตตาจาก อานสง์ที่พระพุทธเจ้าท่านท่านออกบำเพ็ญแล้วก็สร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพุท ธ, ธ ะ, อ, ะอันนี้เราเราไม่ลงใจด้วยเหตุด้วยผลเพราะเราเอาใจของเราไปเทียบกับใจพระพุทธเจ้ามันเทียบไม่ได้มันเทียบไม่ได้เ ท, ไไดเทียบไม่ได้ดอกพระพุทธเจ้าสามารถให้สิ่งวัตถุเหล่านั้นเป็นทานทั้งหมดจ้า มัดซีการหาช่างมาอะไรให้วัตถุเป็นฐานทั้งหมดแม้แต่ใครจะมาตัดนิ้วมือของพระองค์ไปก็เอาไปเลยแม้แต่จะมาควักเอาดวงตาของพระองค์ก็เอาไปเลยแม้แต่จะม า, าตัดคองของพระองค์ก็เอาไปเลยแม้่จะมาเอาชีวิตของพระองค์ก็เอาไปเลยเราทําได้ไหมเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาความคิดของเราไปตัดสินใจแทนท่านไม่ได้ เราเอาตัวเราไปเทียบกับท่านซะก่อนเราไม่เปลี่ยนเหมือนท่านเราเทียบไม่ได้แม้แต่คนที่เรามองเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยบางคนเราทําเหมือนเขาไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นสัพพันธ์อยู่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พวกเราเนี่ยแม้แต่วันเกิดถ้าพ่อแม่ไม่บอกหรือหมอไม่บอกเราก็ไม่รู้จักพุทธญาณท่านรู้ทะลุปรุโปรองหมด หลวงพุเจ้าท่านไปบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านของคนนั้นคนนั้นไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมี G.P.S เหมือนอย่างทุกวันนี้ท่านไปได้เลยไปได้ทุกทุกโปรงหมดสัพพันยูเพราะท่านสร้างบา ร, รมีมากมายมหาศาลแต่มันมั น, ม, นมันลำบากฟังฟังไม่เหมือนคนไทยอะ่ะถ <laughs> ูก <laughs> Er sagte, wir sollten nicht versuchen, mit uns e r e r b l g r e n Fragen s j e t z t r ü b er g e k o s t e er n d s t ob d a s Verständlich war. คือเราเอาเราเอาเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาก ม, มายมหาศาลพระพุทธเจ้ามีสมประเภทพระพุทธเจ้าพระโคโดมพระรามประเภทปัญญาธิกะสร้างบารมีแค่สี่อสงไขยแสนมหมากับพระพุทธเจ้าได้ยิ่งมากไปกว่า น, นั้นอีกวิริยาทิกะสร้างบารมีแปอสงไขยแสนมหมากับสูงไปกว่า น, นั้นอีกศรัทธาธิกะ ยิ่งด้วยศรัทธาสร้างบารมี16อสงไขยแสนหมหากับอสงไขยหนึ่งองาศงไข่หนึ่งคือระยะเวลาที่ยาวนานมากการตั้งความปรารถนาเนี่ยเราฟังเราฟังแต่ฉันสรางบารมีว่ามัดซีกันหาชาลีกันหามัดซีชาลีกันห า, ะ า, นหาจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่แต่พระโพธิญาณเรารักยิ่งกว่า รักเหมือนกันแต่รักว่าพุทธยานมากกว่ารักการที่จะบรรลุธรรมมากกว่าเหมือนอย่างพระนันทะ a เนี่ยก็เหมือนกับดึงออกจากกองไฟการที่เราเห็นเขาไหม้อยู่ในกองไฟแล้วก็ยิงเอาฟืนไปสุมกับเราไปดึงเขาออกจากกองไฟนี่ใครมีเมตตากว่าใครมีเมตตากว่าเขาถามว่าดึงใครออกจากไฟมันคลกับ ดึงออกจากขูดเมื่อชาหลวงพ่อ<ม>ว่าถ้าเราพยายามดึงคนที่อยู่ในลุมขูดในอุตจระเราจะเม็นด้วยมันยากเราเขาเขา้เขาใจว่าแต่คนละอย่างกนละเรื่อง อ, อ, อันนั้นคือเขาทำเลวเต็มที่ของเขาถ้าใครไปช่วยคนนั้นก็จะไม่พ้นมีเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับคนลงในขูด ลองหลุมพูดแล้วก็พล่ขึ้นมาไปหยิบตรงไหนขึ้นมาอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบจะไปหยิบตรงไหนขึ้นมา <c oughs> ก็ต้องก็ต้องก็ทบเพือนก็ต้องเปื้อนมือเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันเป็นคําเปรียบเทียบของของของออที่พระพุทธเจ้าท่านพูดให้กับพระเทวทัตพราะพระเทวทัตทำทำเร็วถึงขนาดนั้นอันนี้ดึงคนที่ดีๆเพื่อให้พ้นดีเข้าไปอีกเขาดีอยู่แล้ว แต่ดึงให้ดีขึ้นมากไปกว่านั้นอีกให้เขาได้ดีขึ้นมากไปกว่านั้นอีกให้ถึงความสุขที่สูงที่สุดมากไปกว่านั้นอีกสามีภรรยาต้องเอาใจกันใช่ไหมสามีต้องเอาใจภรรยาใช่ไหมเป็นภาระไหมภรรยาต้องเอาใจสามีใช่ไหมเป็นเป็นภาระไหมบางครั้ง บางครั้งเอาใจได้บางครั้งเอาใจไม่ได้เป็นทุกข์ไหมถ้าเกิดสามีสามีไปมีแฟนใหม่อย่างนี้เนี่ยภรรยาทุกข์ไหมถ้าภรรยาไปมีแฟนใหม่สามีทุกข์ไหมถ้าสามีตายภรรยาทุกข์ไหมการพลาดพลาดอากกันเนี่ยทุกข์ไหม Ah, wenn sie sich trennen, wenn sie also wenn sie sich vonander e nee, i nee, n trennen also wir sehen dieses Leid ist überall vorhanden o b w o h l dieses Leid überall vorhanden ist, sind wir nicht ทำไม่ได้แน่ๆตกนรกช่างมันขอให้ขอให้ชนะขอให้ชนะขอให้ได้ mm hmm. แล้วทําไมเราจรึงจะต้องมาแบกภาระกันเราแบกภาระคนเดียวแล้วเรายังไม่พอเราต้องจะต้องมาแบกภาระสองภาระมันมีสิ่งผลักดันทําให้เราต้องแบกตันหาตัวเดียวความอยากตัวเดียวพระพุทธเจ้าจึงพยายามให้พวกเราละตันหาอันนั้นคือต้นต่อแท้ ที่มันมาใส่ให้พวกเรามาเกี่ยวข้องกันมาผูกพันกันมามตชกันมาเกี่ยวข้องกันบางคนก็เป็นคู่บา ร, รมีก็เสริมกันไปจนหมดพบหมดชาติบางคนก็แตกกันกลางคันบางคนก็บางคนก็พยามีชู้บางคนก็สามีมีชู้บางคนก็ภรรยาบางคนก็สามีติดเหล้าอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่ทุกไหมเ <Yeah. S 1> นี่เสร็จแล้วก็อยู่มาอยู่มามีลูกมีเต้าด้วยกัน ต้องดูแลต้องรับผิดชอบต้องสารพัดทุกไหมมีแต่กองทุกแต่เรามองไม่เห็นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นน่ะท่านสอนให้เราให้ทานเพื่อจะได้กามที่ดีขึ้นท่านสอนให้เรารักษาศีลเพื่อให้ได้กามที่ดีขึ้นสามีภรรยาใดาก็ตามที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่มีศีลไม่ซื่อตรงต่อกันและกันหาความสุขไม่ได้ เพราะฉะนั้นใครมีทานเพราะ ม, มีสินพร้อมตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์บท น, นั้นมีการมาสุขเพียบพร้อมไปหมดใครอยากได้การมาสุขที่เพียบพร้อมไปเกิดบนสวรรค์ให้ตั้งใจให้ทานให้ตั้งใจรักษาสินเราจะถือศาสนาพุทธก็ตามศาสนาคริสต์ก็ตามศาสนาอิสลามก็ตามเราให้ทานเราตั้งใจรักษาสินเราไปเกิดบนสวรรค์ได้เหมือนกันหมด แต่บนสวรรค์นั้นะเป็นที่รวมของกามคุณเต็มแปร่อยู่บนนั้นชันจายตุมดาวดึงยามาดุสิ์นิมานระดีปรินิมิตวสวดีเป็นที่รวมของกามคุณอยู่ในนั้นทั้งหมดมันเหมาะสำหรับพวกเราเพลินในกามคุณแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้เราเพลินในกามคุณท่านสอนให้เราเห็นโทษของกามคุณท่านบอกว่าทุกทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจาก องของกามคุณพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสแสดงถึงการให้ทานรักษาศีลแล้วก็พูดถึงอ น, นิสงค์คือสวรรค์แล้วก็พูดถึงโทษของกามโทษของสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านชี้โทษไปที่สวรสวรค์นี่สวรรค์นี่ยังสวรรค์หกชั้นยังเป็นโทษยังมีโทษยังเป็นกองกามคุณอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงอ า, อาร์ทีนภาคาถาโทษของกามคุณ โทษกรมคุณก็อย่างที่เราภารณนาให้ฟังนี่แหละเราทุกมีลูกมีเต้ามีต้องทํางานทําการต้องนู่นต้องนี่ต้องเอาเอกเอาใจต้องผิดข้องมองใจต้องทะเลาะบอกแว้งต้องอะไรต่ว อ, อะไรสรารพัดนี่คือโทษของกามคุณเมื่อท่านโพูดถึงเมื่อท่านพูดถึงโทษของก า, ออก า, กกามคุณเสร็จแล้วท่านพูดถึงอานิสงของการออกจากกามคุณอานิสงของการออกจากกรรมคุณก็เหมือนอย่างที่เราสอนให้เอาพยายามเอาใจออกจากกรรมนี่แหละ นั่งภาวนาให้ใจสงบใจสงบคือใจออกจากการมะคุณเสร็จแล้วท่านก็สรุปมาที่หลักของอริยสัจสี่คือทุกขสมุทยัยในโรกมักชี้ลึกเข้าไปที่หัวใจชี้ลึกของสมุทัยลึกเข้าไปกว่านั้นอีกพอสแสดงจบได้บรรลุอรหรันต์ได้บรรลุธรรมยกยกตัวอย่างเช่นอย่างยัตสักุลบุตรเนี่ยมีกามะศุขเต็มแปร่ พ่อแม่ทําประสาทสามหลังประสาทรดูหนาวรดูฝนรดูร้อนอในระหว่างนั้นยักษะตกุลบุตรอยู่ประสาทรดูฝนทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยะจะดูเล่นประคบดนตรีไปจนจนดึกแล้วก็นอนหลับต่างคนต่างหลับบริวารก็หลับตัวเองก็หลับพอตื่นขึ้นมาต่างคนต่างตื่นพอดีวันนั้นเนี่ยลูกไอ้บริษทัทบริวารก็ประคบดนตรีไปแต่จะของนีหลับตั้งแต่หัวค่ำ พอหลับแต่หัวค่ามันอิ่มก่อนมันตื่นขึ้นมาในระหว่างที่ยัดสะตื่นขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกประคบดนตรีมันก็เลยหลับหอนเห็นนอนรเกรีอากาทั้งเปิดผ้าทั้งน้าลายหลายทั้งอะไรต่ออะไรสระหู้ขัดข้องอแทนที่จะเกิดความกำนัดยินดีในรูปสตรีหลับนั้นอ่ะขัดข้องเหลือเกินอ๊้ขัดข้องเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ขัดข้องหน อ, อเกิดความรู้สึกเหมือนเห็นศพในป่ายช้าเนี่ยเกลือนไปหมดเลย พอดีมันเป็นเวลาใกล้ใกล้สว่างไปใส่รองเท้าได้คู่หนึ่งเดินอุทานออกไปวุ่นวายเนาะที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ขัดข้องเนอะนั่นเห็นไหมทั้งท่านที่อยู่ถ้ำกลางกลางนั่นนี่คือคือบุญมันถึงบุญมันถึงพอเดินไปพุทธเจ้าท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ตอนใกล้สว่างที่อิสิปตนมรดกไทยวันน่ะเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง จงมาที่นี่เราจะแสดงทําให้ฟังโอ้โอ้จิตใจกําลังเรียกร้องหาสิ่งที่พึงพอใจพอพุทธิเจ้ามาขานรับอย่างนั้นก็โอ้ปลื้มปีติยินดีมากไปกราบปลอกปรลอ ก, ลกพุทธิเจ้าก็เลยแสดงแ <c oughs> สดงเรื่องอนุปูพิกถา ท, ที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์แล้วก็เรื่องเรื่องโทษของกามคุณและเรื่องอนิสงส์การออกจากการรมคุณเสร็จ <c oughs> แล้วก็แสดงอริยสัจสี่แสดงจบ แสดงจบได้เป็นพระโสดาบันตอนเช้ามาพ่อกับแม่ไม่เห็นเลยพากันวิ่งตามหาอลาลุลร مان แหะลูกชายหายตามไปตามไปพ่อก็เลยไปช่องทางที่ลูกชายไปพอดีไปไปเห็นรองเทา้าอู้หู้รองเทา้ายักดิ์ของเราเนี่ยลูกของเราเดินไปเดินมาพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่กับยักดิ์แต่บันดาลให้ยศศักดิ์บันดาลให้พ่อของยักษิ์มองไม่เห็นยศศักดิ์ให้พ่อของยักดิ์เห็นแต่พระพุทธเจ้า ก็เลยไปกราบเห็นยัสละลูกชายของเราไหมเธอจงนั่งลงเราจะแสดงธรรมให้ฟังก็เลยแสดงธรรมพรุทธเจเ้าแสดงธรรมอนุ ป, ปูพิกถ า, าให้พ่อฟังอีกรอบหนึ่งพ่อได้ได้เป็นพระโสดาบันยัสละนั่งฟังด้วยกันเนี่ยนั่งฟังรอบที่สองได้เป็นพระอรหรันต์พรพุทธเจ้าจึงบันดาลให้ให้เห็นหน้ากันโอ้เธอจงให้ชีวิตกับแม่ของเธอแม่ของเธอร้อ ง, อ ง, องห่มร้องให้จะตายตามเพราะลูกชายหายเนี่ยอ่า แล้วก็ยัศศะก็ดูหน้าพระทีเจ้าชวนชวนลูกชายกลับบ้านบอกว่าลูกชายไม่เหมาะที่จะไปอยู่บ้านแล้วเป็นผู้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันแล้วโอ้เ ป, เป็นเป็นบุญเป็นคุณเป็นอานิสงส์ของลูกแล้วอนโมทนาไปกับลูก <c oughs> ลกเ็เลยนิมนต์ทั้งพระทีเจ้ากับพระยศศากไปฉันท์ี่บ้านไปแสดงทำให้แม่ฟังนี่ได้แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกเนี่ยยศศากนี่คืออะไรคือออกจากกรรม อานิสงส์มันมีอีกสาเหตุที่ยัตสะมองเห็นนางบำเรอเหล่านั้นหลุดป่าช้าหลุดซากศพในป่าช้าเพราะยักษักุลบุตรเนี่ยเคยเป็นศักประเรเคยเป็นเคยเห็นศพคนตายเคยสักประเรเคยเอาคนไปเผาไปอะไรต่ออะไรสักประเรรู้จักไหมสักประเรเน่ยฉันแล้วก็เคยสลุดสังเวชในระหว่างที่ทํางานสักประเรเนี่ยด้วยอานิสงส์ที่สลุดสังเวชนั้นเอง อนิสง์ยังส่งมาถึงขณะนี้ตอนนี้มันโผล่ขึ้นมาตอนนี้เป็นเหตุให้ยศ ต, ต้องออกไปได้ไปฟังธรรมได้บรรลุแล้วก็พ้นจากกลามมาคุณทั้งหลายเหล่านี้ไปนี่คืออนิสง์ของการออกจากกลามอย่ามาม <laughs> <c oughs> คิดว่าพวกเราฟังเป็นธรรมะนะเราไม่ได้ว่าให้ กับสามีภรรยาคนนั้นคนนี้นะ <c oughs> ะ <c oughs> พวกเราฟังเป็นธรรมะพุทธิยาท่านสอนธรรมะอย่างนี้ธรรมะมันมีแต่ธรรมะพื้นพื้นมีทาน <c oughs> มีศีลมีภาวนาทั้งหมดนี้เราทำเพื่อต้องการให้พ้นทุกข้อสำคัญ ต้องการให้พ้นทุกนาฬิกาปลุกบอกว่าหมดเวลาอันนี้อันนี้ตีสานคร่ที่เมืองไทยามคร่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยตีสามครึ่งที่อไทยผมตั้งปลุกอย่างนี้ประจสามที่ือทยับผตั้งปลกอย่างนี้ปตาทเไทยผมตั้งปลางนประจำตามครึ่เมืองไทยครลุก่างี้าคงที่เต้ปลอางนรตีาม่งที่เมือไทยคัลุกยางนี้ปะตี่มืองไทต้งลกอย่างรีสา่ ฟี่วอสอันดัสัลาที่สี่ต้องถึงสัลาสิ้นสุดการตื่นมีไหมหมดปัญหาแล้วใช่ไหมนี่เดชนี่จะถามเปล่าถูก้ถ้าไม่ถาม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วันนี้คืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราตอนสายเราก็ออกเดินทางไปแล้วพรุ่งนี้ถ้าเผื่อท่านไหนที่ไม่มาก็ถือโอกาสลาตอนนี้เลย ะระยะนี้เราก็มาตั้งแต่วันที่1มาถึงนี่วันที่2ก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็ไปนอนที่วัดเมตตาวิหาร1คืนแล้วก็ไปนอนที่เบอร์ลินเมื่อวาน1คืนนอกนั้นก็นอนที่นี่ทั้งหมดพักที่นี่ทั้งหมดแต่เราก็ไม่ได้ลงมาพูดธรรมะอย่างนี้ทุกวันไม่ได้ลงมาทุกวันบางครั้งครูบาอาจารย์เพื่อนก็นอยากให้เราพักสบายเหมือนกันไปที่นู่นไปที่นี่มาไม่มีเวลาก็ให้พัก เราก็พักแต่ก็ธรรมะที่พูดให้ความเข้าใจตรงนี้นี่มากมายหลายกันรวมแล้ ว, ส, วสิบกว่าชั่วโมงนะเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงแล้วก็ถามได้ถามได้ทุกอย่างก็ตอบได้หมดเพราะธรรมะมันพันกันไปหมดมันพันกันไปหมดพูดไปไม่จบพูดไปไม่หมด อ, อาศัยว่าเราต้องการเข้าใจตรงไหนแล้วก็พูดแล้วก็ตอบแล้วก็บอกแล้วก็แนะนากันไปตองนี้เพื่อประโยชน์ของพวกเรา ให้พวกเราได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังภาคปฏิบัติมันเป็นปริยัติก็จริงอยู่แต่มันเป็นภาคปฏิบัติเราได้แนวปฏิบัติเราได้ข้อปฏิบัติเราเอาไปถือปฏิบัติแล้วจะได้กําลังใจกับพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกินเวลาแล้วเนี่ยมันสิบครึ่งแล้วเนี่ยสิบมองครึ่งแล้วเนี่ยสิบสี่ทุ่มสี่ทุ่มสามสิบเอดนาทีแล้วจะให้พอนะพืนจะมีเวลา เพื่อนจะมีวิธีขอขออ้ามงขอเข้ามาอะไรตามธรรมเนียมของเพื่นเราก็แล้วแต่หมูจะไปเรียกตอนไหนก็แล้วแต่แหละ แ, แ, แล้วจะพาออกไปตอนไหนแล้วแต่แหละเราจําไม่ได้แหละแล้วก็ถือโอกาสท่านที่ไม่มาวันพรุ่งนี้ก็ถือโอกาสลาตอนนี้เลยเ อ, อมาคราวนี้ก็ามาเห็นลูกศิษย์ของอาจารย์จตมัมมลโออาจารย์เมติโกท่านกันตะธรมโมเนี่ยอานร้อนเนี่ยอยู่ด้วยกันสองสามองค์เนี่ย เห็นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ยินดีพอใจมากเห็นพวกเราในสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมมาทําบุญมาให้ทานมาฟังธรรมอันไหนที่เป็นประโยชน์ที่ได้ยินได้ฟังอันไหนเป็นประโยชน์ก็เอาไปถือเอาไปประพฤติปฏิบัติการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามการตั้งใจจะปฏิบัติทำเพื่อให้เกิดความสงบพิจารณาเกิดปัญญาก็ตามเราจะได้ถึงความสุขความเจริญด้วยกันโอกาที่ ตอนนี้พระสงฆ์ก็จะอมนูยอช้ยพรให้พวกเราทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขประสบความสุขความเจริญชอบด้วยศินด้วยด้วยกันทุกทท่ทานทุกคนให้พรที่นี้ให้พรยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติชาครังเอวะเมวิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอจิตตังปฏิตตังตุมหัง คิปเมวะสมิชฉตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยัทามนิโชติราโสยัทาสัมบีติโอวิวาชันตุสัมปะโรโก เวนาสสตุมาเตบาวันตารายอสุกิติกายุกบวาปิว ดานาสิริสานิจังวตตาปจยยนวจจารตารตามวันติอายุวันโอสุขังอาลายุวัตโกธนาว ดะโกสิริวัตะโกยสวาตะโกมลวัตะโกวาวัตะโกสุขวัตะโกโหตุสาบัทตาตุกโรกปยาวร สกาสัตว์จุป่าตัวอเนกันธารยาิวนาสันตุจเตจสัจยสิติทานังลาบังโสติภยังสุขังพลังสิริอายุจวันน้อยจโมคังวุติจยสวันสตว์สจ อายุจัจจวัสติปาวันตุเตปาวตุสัปมังก a ลังราคันตุสัปะเดวตาสัปปบุตรัง นุปาวเวนะสัตตาสุต a ป a ันตุเตปวัตุ s a b ป a มังกาลังรักขันตุ Sabha เทวตา Sabha สังขา บาเวนัสธาสอดิมบาวันตุเตจเจริญเจริญเป็นสุขทุกคนทุกท่านสองชั่วโมงสิบแปดนาทีนี้มาขอบคุณทุกคนทุกท่านครูบาอาจารย์พวกเราอำนวยความสะดวกทุกอย่าง